พรธรรมเทศนาแผ่นที่ห3บสาลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวยัยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18พฤษภาคม2556หอบรมพระก่อนลาสิกขามีชื่อเรื่องว่าปิศนาธรรมของชายขายฟืน พวกเราได้เข้ามาศึกษาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่12เมษายน56ที่เป็นนาคจนอุปสมบทวันที่21เมษายน56แล้วก็เวลาศึกษาวันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคม56รวมแล้วเดือนกว่าที่เราเข้ามาศึกษา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 หลายรายเรื่องได้อย่างไรถ้ามันเกินไปก็จนรับไม่ไหวมันแน่นจนเกินไปจนไม่รู้จะจับอะไรเป็นหลักหนึ่งสสสับสนวุ่นวายไปหมดในจิตใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อที่เป็นเจ้าสำนักก็ต้องคิดกันกลองไ ต, ตรตองพอสมควรที่จะให้พวกลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาแต่ท้งนี้ท้งนั้นคือ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 หลวงพ่อคิดว่าเหมาะสมแต่ว่าสำหรับลูกหลานที่เข้ามาบวชทั้งหมดทั้งหมดทั้ง30เนี่ยที่บวชในวันนั้นนะและเป็นยังไงอันนี้ค่อนสุดแท้แต่แต่ละคนน า, นานาจิตตังน า, นานาทัศนะจะให้เสมอกันเหมือนกันคงจะเป็นไปอย่างนั้นได้ายากเพราะว่าพวกเรามีความขีดความสามารถในจิตใจต่างกัน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 เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็มั่นใจพ่าได้เรียนได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลักเหล่านี้พอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อจึงยัดเจียดให้ผู้ที่ได้รับมากกา็รับถ้าผู้ที่ไม่ได้รับหรือว่าาชนะมันเล็กรับไม่ ไ, มได้ก็รับเท่าที่จะรับได้ยัดเจียดให้ที่เท่าที่จะทําให้ได้ วันนั้นพวกท่านทั้งหลายมาบวชคราวนี้ก็ครบบริบูรณ์อย่างที่ชมลมที่พวกเราตั้งใจเอาไว้ต่อ น, นี้ไปพวกเราจะต้งได้ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปหลวงพ่อจะให้พระไตรสรนคมพร้อมกับศีลก่อนที่จะให้พระไตรสรนคมพร้อมกับศีลจะนำไปประพฤติปฏิบัติในเมื่อเป็นคารวาสก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย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 ว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดของเราแต่ท่านทานอาหารมื้อเดียวแล้วก็ท่านก็อดอาหาร <Yeah. S 1> ก็มีปานาบ้างเมื่อตอนบ่ายเท่าที่มีเราก็ไม่ได้จนเกินเลยก็ ม, มีอันไหนมาแล้วก็ทานก็ฉันตามที่มันมีมันเกิดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระในการอยู่การฉันแต่เพียงแค่นี้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 พวกเราต้องมีสัจจะการอยู่ด้วยกันถ้าคนไร้สัจจะคนไม่มีสัจจะคนไปคบค้าสมาคมพูดเรื่อยเปยไปเรื่อยถ้าจริงเป็นพ่อค้ า, าหรือว่าทุกระดับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเน้นพ่อค้าทำมาค้าขายด้วยกันถ้าขาดสัจจะแล้วก็แปลว่าพ่อค้าคนนั้นหมดสภาพาทำมาค้าขายด้วยไม่ได้ เขาขาดสัจจะธรรมะคันติจาคะอันนี้เปลว่าธรรมของกรวา ة สัจจะคือความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนในขณะที่ใจของเรามันเฟื่องฟูไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งโทสะถ้ามันมีโทสะเกิดขึ้นมาเราต้องข่มเอาไว้ธรรมะให้รู้จักข่ม แล้วก็ขันติให้มีขันติอีกต่างหากขันติคือความอดทนเราเป็นครรวาตต้องอดทนอดทนต่อความหิวอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนทุกอย่างอดทนต่อคนที่ดุด่าว่ากล่าวให้กับเราผู้น้อยกว่าผู้ใหญ่กว่าเราต้องอดทนต่อเสียงเหล่านั้นอดทนต่อการเป็นอยู่ คนที่มีความอดทนสูงไปอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายวันนั้นผู้คลวนนั้นมีขันติแล้วกระจาคะให้มีการเสียสละไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับใครเราต้องเป็นผู้เสียสละอันดับแรกคือเราต้องเสียสละให้พ่อแม่ของเรานะะี่ยแหะเป็นอันดับแรกถ้าเรามีอันจะกินเราก็ต้องมองดูพ่อแม่ของเราก่อน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 มาบวชในพระพุทธศาสนาให้ลำเลืกถึงพระคุณของพิดามันดามิดามันดาเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวันนี้แหละเมื่อลาสิขาไปแล้ว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 เราก็ให้พรให้สีลให้พรกับคุณพ่ อ, อคุณแม่ของพวกเราอันนี้คือหน้าที่ของลกูกนี่แหละธรรมของคารวาสี่อย่างสัจจะธรรมะให้ค่มจิตขันติให้มีความขันติคือความอดทนจาคะให้มีการเสียสละอันนี้ก็คือธรรมของคารวาดที่พวกเราจะนำไปใช้จากนั้นก็ให้พวกเรายึดพด ร, ระไตรสารนคมเป็นหลักคือยึดผู้ดี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 จะพยายามเป็นคนดีไปเรื่อยๆรื่างดีน้อยต่อไปก็ดีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆความดีเนี่ยหนึ่งกดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรประกอบแต่คุณงามความดีความชั่วก็เช่นเดียวกันความชั่วหนึ่งกดี2กดีสกว่าดีมีอยู่แล้ว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 เป็นวันนะสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่คือคนวันนะต่ำคือว่าสูตรอันนี้พ่อค้าขายฟืนก็คงจะเป็นวันนะสูตรนี่เขาดูให้เข้าว่าเป็นวันนะต่ำแต่ใจของเขาเนี่ยเลื่องเลิงบันเทิงไม่ได้ เ, เสียอกเสียใจชีวิตต้องสู้ฮะพระจะต้องทำการทำงานสู้หาเงินพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นและเออ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 เอาไปลงทิ้งลงน้ำทะเลเอาไปทาไม จ, งไงไมจึงเอาไปฝังดินเอาไว้ทำไมจึงเอาไปบูชาเทวดาทาไมที่เงินได้มาทำไมแบ่งเป็นหลายส่วนถึงขนาดนั้นที่แจงให้เราฟังสิทุกตาบอกว่าที่ผมให้งูเหา่างูจงอางเปรียบเทียบก็เหมือนลูกของผมเมียของผมนะ่ยงูเหา่างูจงอางถ้าผมไม่ให้เขามันจะตกมันจะต้องฉกมันจะต้องกัด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 อันนี้แหละคือพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าถูกกับใครไม่ดีทั้งนั้นปนังงวดไม่ควรจะฆ่ากันอธินนาธานก็เหมือนกันอย่าไปขโมยสิ่งของของเขาเขาก็รักษ์สงวนห่วงแหนถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็เสียใจยขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาไปเรียกค่าไถเขาก็เสียใจยถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันกับเขาไม่แพ้กันเพราะนั้นเขารบสิทธิ์ซึ่งกันละกัน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 ของเขาเคารพสิทธิ์ของเราอันนี้ก็คือสิลข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมะณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่อย่าไปโกหกเขาเอาของปลอมไปบอกว่าของดีเอาแบงค์ปลอมไปบอกว่าแบงค์ดีเอาเช็คปลอมไปบอกว่าเช็คดีเช็คไม่แดง สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นล้วนแล้วแต่อโกหกทางนั้นถ้าโกหกโกหกไม่ใช่ธรรมดานะอมันทําให้เสียหายอย่างมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าคนที่ชอบโกหกท้งที่รู้ๆจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้จากนั้นข้อที่5สุราเมระยะมัชชะปะมา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 คารวาะธรรมที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้ให้บอกกล่าวเอาไว้นี่แหละแล้วก็ให้ยึดพระไตรสารณคมจากนั้นก็ให้มีทานมีการเสียสละแล้วก็ให้มีศีลํารวมกายวาจาให้ใหเรียบร้อยให้มีศีลห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเน้นหลายครั้งให้กับพวกเราท่านทั้งหลายคือข้อที่ห้า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 ถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะทีนี้นะประนมมือนะก้มหัวลงสักหน่อยเดี๋ยวน้ำจะเข้าตา